ไม่ใช้พลังงานนะใช้น้อยถือว่าได้วความเจริญดุสิตมันเอาการบริโภคมาวัดความเจริญมันก็แข่งกันบริโภคเนะื่อเบียดเบียนธรรมชาติทรัพยากรอเลยหายนะหมดเนี่ยมุ่งสนองกิเลสนะคิดว่าสนองกิเลสได้แล้วจะดีมีเงินมากแล้วจะดีสมัยจำพลสลิดพวกเราใครเกิดละพวกนี้ต้องอาวุโสแหละ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 หายใจออกยาวให้รู้ว่ายาวหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหาย ใ, ใจเข้ายาวสอนง่ายๆไม่มีบอกเลยพิสูจ์ทั้งหลายวางฟอร์มไว้นั่งต้องนั่งท่าอย่างนี้นะนิ้วมือต้องอยู่ตรงนี้นะมีหลายพวกนะหลายที่เถียงกันว่าไหนถูกนี่นิ้วโป้งจดกันก็มีนิ้วโป้งจดกันิ้วชี้ก็มีนะซ้อนกันอย่างนี้เลยก็มี สารพัดเลยบางพวกนั่งอย่างนี้เหมือนจะเตรียมชกในชอบกนนไปดูรูปสมเด็จโตมาพระเจ้าไม่ได้สอนนั่งท่าไหนก็ได้นะให้มันสบายนะให้มันสบายแต่ไม่สบายแบบเครื่องนั่งเอาหัวพาดเตียงนะเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวมันก็สลบแนละ้วาบอกนั่งตรงๆแสดงว่าไม่ได้เอาหัวไปพาดที่ไหน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 เวลาลงมือทาเนี่ยมันจะพลิกไปทางอัตตะกิรมัานุโยกทำตัวเองให้ลำบากในขณะที่ชาวโลกเนี่ยมันจะพลิกไปสู่การมัูุขาริการนุโยกทำตัวให้ชุ่มด้วยกิเลสพระพุทธเจ้าสอนทางสายกลางไม่สุดต่งไปสองฝั่งเหมือนคนทั่วๆไปไม่สุดต่งไปเหมือนพวกนักบวชทั้งหลาย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 ไม่รู้ตัวเลยลืมไปเลยอีกพวกหนึ่งก็นั่งด้วยความเคร่งเครียดพวกนั่งแล้วเคลิ่มไปเนี้ยโมหะและโลภะมันแทรกพวกนั่งแล้วเครียดเนี่ยโมหะและโทสะมันแทรกนะงั้นมันเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยกิเลสใช้ไม่ได้เลยเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติทำสมาธิไม่เป็นนะ กระทั่งคนที่ว่าทาสมาธินะบางที่นั่งสมาธิกันโตรุ่งนั่งไม่เป็นหรอกนั่งแล้วไม่มีสติเมื่อไรมีสติเ น, นี่ยมีกุศลนะเนี่ยทางสายกลางนะมีศีลที่ถูกต้องมีศีลนันยิงเรียกว่าอาธิศีศีนันยิง น, นึศีลอัตโนมัติมีอาธิจิตมีจิตอันยิงคือมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นจนถึงขั้นตั้งมั่นอัตโนมัติ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 สูงที่สุดก็เท่ากับพระสมณะโค ด, ดมองนี้เท่านั้นแหละนะมากกว่านี้ไม่มีเลยนะท่านบรรลือสีหนาตอย่างนี้นะพูะพุทธเจ้ารับรองนะเดินด้วยปัญญาเป็นเส้นทางที่เรียบง่ายที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดนะอย่างพระศีริยะเมตรัรเดินด้วยวิริยะนานมากนะภนะาคเพียร น, นา น, านบางง์ท่านเดินด้วย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 ถ้าเข้าไปครอบครองพรนิพพานจะไม่ต่างอะไรกับศาสนาอื่นเลยจะขอไปอยู่ในสวรรค์ไปรวมกับพระเจ้าไม่ใช่คําสอนของพรุทธเจ้ามรรคท่านให้เจริญมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาเนะี่ยย่อลงมาให้เจริญเจริญด้วยอะไรด้วยความมีสติเมื่อไหรมีสตินะเมื่อนั้นได้สร้างความเจริญอยู่เนะพราะทันทีที่เกิดสติ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 พามาเป็นพระเนี่ดูพูดปากเป็นหนังตะลุงเลยแงบเงบเงบทั้งวันเลยทำไมล่ะไม่พูดไม่ได้ดี๋ยโยมโกรธดยโยมโกรธโยมมันบับกรํารอีกนะล้วก็ต้องพูดพูดนะมาถึงก็มานั่งจ้องตาแปว๋วเลยแทนที่จะภาวนาจ้องรอให้เราพูดอะไรย่ววางเงี้ยเราก็ต้องพูดนะเสียงแหบเสียงแห้งทีต้อ ง, งพูดต้องทักทายแต่หลวงพ่อทักทายไม่เหมือนคนอื่นรู้สึกไหม